พ่อคะตอนนี้แบบทํำอะไรผิดไปบ้างหรือเปล่าคะช่วงนึงมันหลงนานจังดูออกไหมล่ะช่วงนี้ดูไม่ออกเลยอะคะ่ะใจไม่ตั้งมั่นมันเออเออเอาไปเรืเ่อยๆทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อเดีย๋ยไปดัดแปลงมันสิ <c oughs> เวลาที่ใจเรามันเอออย่างเนี้ยรู้ว่ามันเอออย่างเงี้ยแล้วรู้อย่างเป็นกลางจริงๆน้ําจะพอดีเลย <c oughs> คือแบบก็คิดว่าแบบก็รู้นะคะมันจงใจจงใจอ่ะค่ะมันยังพยายามไม่เลิกมันไม่ได้รู้เล่นเล่นจะเอาจริงแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานดีใช่ไหมคะหลวงพ่อรู้สึกว่าเมื่อวานมันมันจะแบบตื่นๆเ <c oughs> มื่อวานจําไม่ได้แล้วตอนนี้ดีกว่าตะกี้ตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้ว มองออกไหมเพราะว่ามันเราอยู่ๆเราก็น้อมใจให้เข้าไปนิ่งอยู่เนื้อใจอย่าไปน้อมเข้าไปให้นิ่งมันน้อมเข้าไปนิ่งงั้นให้เรารู้สึกเฉยๆปล่อยมันออกมาแล้วเออมื่อเกี้หลุดออกมาได้เออตรงนี้หลุดออกมาเลยแล้ไม่เหมือนกันดูออกป่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปอยู่อย่างตะ ก, กี้เนี่ยตะกี้มเข้าไปนอนไม่เฉยๆอยู่มากๆก็เป็นโรคเอ๋อ้าวใครจะยกมือเชิญ <c oughs> อาจารย์คะอาจารย์มักจะพูดว่าหนูว่าไปสร้างภบอยู่ภพหนึ่งเท่านี้หนูว่าเห็นตรงนี้บ่อยมาก <c oughs> แต่หนูไม่รู้วิธีแก้ไขชีพนรโใหม่ลงนิ้ <c oughs> เออเสียงมันก้อง <c oughs> ทีนี้พอหนูกลับไปตั้งแต่อยู่วัดเนี่ยนะคะกลับไปวันที่สี่เนี่ยหนูที่ตัดสินใจแล้วว่าหนูจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเจริญสติตลอดไงคะ ครานี้มันก็เลยไปเห็นว่าอสร้างภพตรงนี้ตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ปลอดภัยแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยเลยเพราะว่ามันจะต้องเกิดอีกมันจะต้องเกิดเกิดเกิดเกิดเพราะว่าเราหลบจากสังคมที่มันแปรปรวนและจิตใจเราซึ่งยอมรับไม่ได้เราก็เลยหลบเข้ามาในช่องนี้ในที่สุดหนูก็เลยตัดช่องนี้ทิ้งเลือกเจริญสติตลอดเนยฮะอันนี้คือเรื่องที่หนูตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้ว เ, เรื่องที่สองนี่ก็คือหนูต้องกล่าวขออนุญาตพระจารยาแบบรายงานการตัดสินใจอันนี้ด้วยนะคะก็คือเวลาที่เรานั่งอยู่ที่ไหนก็ตามหรือไปเดินที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามีพลังงานของบุคคลอื่นซึ่งเขากระทำด้วยความเคยชินบางครั้งเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาเหมือน ดาวหางค่ะแล้วก็พุ่งเข้าจิตคราวนี้มันก็ซึมเขาเ้าไปเลยคร mm hmm. าวนี้ถ้าเป็นลักษณะของความเย็นวาบเนี่ยโอเคหนูรู้สึกแล้วตัดสินใจปล่อยวางทิ้งเพราะไม่งั้นจะทุกข์คราวนี้ลักษณะของเหมือนกระดาวหางที่พุ่งเข้ามาในจิตแล้วร้อนเนี่ยแล้วมันก็แผ่ซ่าน mm hmm. หนูตอนแรกหนูทุกข์เพราะหนูไม่รู้จะแปลความว่าอะไรหนูได้ตัดสินใจ ทิ้งแล้วรู้ต่อไปจเจริญสติดีกว่าไม่งั้นเสียเวลาชีวิตหนูหมดเลยถูกแล้วล่ะถ้ารู้อย่างนี้นก็ไม่ต้องเสียเวลานานวัตถิพันธ์หนีโลกที่ผ่านมาเราหนีโลกนะหลบมันเ ร, เรารักตัวเองสุดท้ายลึกลงไปก็คือเรารักตัวเองเราเห็นโลกข้างนอกนี้ไม่ดีกระทบกระทั่งก็หนีอย่าไปหนีนะถ้าหนีก็ต้องหนีตลอด เอาใครจะคุยต่อเชิญนู้นยกไว้มากแล้วก็มาคนนี้นะไปยกไว้ยกไว้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันไปไม่ถูกทางนู้นคนผู้หญิงน้นนะแล้วมาข้างหน้านี้นะเดี๋ยวทวงนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ลืมละกราบน้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูอยากเรียนถามว่าที่หนูปฏิบัติอยู่เนี่ยคะ่ะถูกหรือไม่ะอะค่ะเพราะว่า บางครั้งสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยหนูไม่ทราบว่าจะตามรู้ได้ยังไงอะคะ่ะอย่างเช่นเวลาอาบน้ําให้ลูกหรือว่าเวลาที่ตัวเองอยู่เฉยเฉยไม่ทราบว่าสภาวะนั้นนั้นควรจะตามรู้ยังไงเฉยเฉยเฉยเฉก็เป็นสภาวะอันหนึง่งแต่ไม่ทราบว่าตัวเองเฉยหรือคิดเอาเองว่ามันเฉยอะคะ่ะตอนนั้นกําลังสงสัยอยู่สงสัยว่ารู้หรือว่าเผลออะไรเงี้ยนะค่ะรู้หรือว่าคิดเอาเองเนี่ยให้รู้ว่ากํำลังสงสัยอยู่ มันไม่หายสงสัยอะค่ะมันไม่หายสงสัยไปให้ตามรู้ไปเรื่อยๆอะไระเราดูไปใจมันสงสัยนะใจใจนี้ไม่ใช่เราจิตมันสงสัยสังเกตไหมมันสงสัยได้เองดูไปในฐานะที่ว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันสงสัยได้เองเวลามันโกรธมันก็โกรธได้เองเวลามันโลภมันก็โลภได้เองความรู้สึกทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นเองมันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ว่าเราจะภาวนาอย่างไงนะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราไม่ต้องไปค้นคว้าว่าอ น, นี่รู้ถูกไม่ถูกอะไรองนี้เสียเวลามันจะหลอกให้เราคนา้นคว้าให้เรารู้ลงไปเลยจิตมันสงสัยมันสงสัยของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกดูมันไปอย่างนี้เลยได้ใจถึงถึงนะอย่าไปกลัวโง่แต่บางคราไม่ทราบว่ามันจะเรียก คิดเลยว่าจะตามรู้ว่ามันว่าอะไรอะค่ะไม่ต้องเรียกชื่อชื่อไม่สําคัญนะชื่อเป็นแค่บัญญัติที่เกิดขึ้นทีหลังเราเห็นสภาวะแล้วเราก็มาบัญญัติว่า อ, อ๋อนี่เรียกว่าโกรธนี่เรียกว่าโลภไ อ, อ้นี่ไม่รู้เรียกว่าอะไรดูขยุก ข, ขยิกอะไรเงี้ยชื่อไม่สําคัญค่ะขอบคุณค่ะอะไรที่ยังเรียกขานได้นะก็ยังเป็นบัญญัติอยู่สภาวะจริงๆไม่มีชื่อหรอกชื่อเราใส่เข้าไปเอง อย่างความรู้สึกอย่างเนี้ยคนไทยเรียกว่าโกรธคนจีนเรียกว่ายั่วอะไรเงี้ยสมมุตินะมันก็บัญญัติทั้งหมดเลยเราเห็นแต่สภาวะไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้หรือจิตมันจะใส่ชื่อให้ก็ช่างมันเรื่องของมันแล้วหนูควรตามรู้จิตหรือตามรู้กายดีอะตามรู้จิตนะเราช่างคุยช่างพูดดูดูจิตไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนเร็วค่ะ ข, ขอบคุณค่ะอ่าเบอร์ห้ยกมือไว้เดี๋ยวถูกใครเขายึดไม้ไปกลางทาง มาสการหลวงพ่อครับมีคำถามครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเคยเพ่งแล้วก็ล้มกระดานปฏิบัติใหม่ทีนี้มันล้มกระดานบ่อยมากประมาณอาทิตย์ละครั้งวเราเนี่ยหเหรออาให้ได้วันละครั้งก็ <c oughs> เลยอยากจะขอคำแนะนำหลวงพ่อแน่แล้วนะเอาวันละครั้งตื่นขึ้นมาก็เริ่มต้นใหม่เรามีชีวิตใหม่ทุกวัน <c oughs> ชีวิตเมื่อวานที่ฝึกมาแล้วปฏิบัติมาแล้วลืมมันไปใช่ มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆล้มกระดานตลอดเลยรู้สึกมันผิดทุกวันครับผิดถูกต้อง น, <c oughs> นั่นแหละถูกแล้วถ้ถาถูกเมื่อไหร่นะอริยมรรคก็เกิดเพราะงั้นจิตนี่มันเดินผิดตลอดสังเกตไมมันไม่ปรุงอย่างนี้มันก็ปรุงอย่างโน้นไอการปฏิบัติสิ่งที่เราเรียกว่าการปฏิบัติจริงๆคือความปรุงแต่งทั้งหมดเลย ดั้นให้เราตามรู้รู้ทันความปรุงแต่งไปเรื่อยวันหนึ่งมันก็หมดความปรุงแต่งไปเองเพราะมันรู้ทันแล้วนี่ก็ปรุงไล้นี่ก็ปรุงแล้นี้ก็ปรุ ง, ป ร, งปรุงอย่างนี้นึกว่าถูกนะดูไปสักพักหนึ่งเอาผิดอีกแล้วไ้ปรุงอย่างอื่นคิดว่าอย่างนี้จะถูกปรุงอีกก็ผิดอีกครับแล้วขอคําแนะนําสําหรับสภาวะปัจจุบันนะี้ครับปัจจุบันเหรปัจจุบันนิ่งเกินไปนิ่งเกินไปตอนนี้ขณะจิตนี้นิ่งเกินไปเมื่อก่อนมีหลวงพ่อไปสอนสาราลุงชินยังไม่ได้บวช นรุ่นพวกนี้ไปเรียนกันมีโบจำโบได้ไหมโบแฟนโยอะอะไรนะโอ้โบนั่นแหละโบนะั้นพยายามมากเลยที่จะปฏิบัติทุกเดือนจะต้องมาหาหลวงพ่อนะบ้านก็อยู่ไกลนะอยู่กระบี่อนะไรยงี้ทุกเดือนจะมาที่สาาลงชินครั้งหนึ่งมาถึงก็จะถามเลยว่าที่หนูทำอยู่นี่ถูกไม่ถูก หลวงพ่อก็ตอบด้วยความหวังดีไม่ถูกหรอกอย่าทําสี่ให้รู้กายให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นมันร้องไห้นะร้องในใจไม่ให้เพื่อนเห็นหรอกแต่เวลารับตาคนอื่นแล้วถึงจะร้องออกมาข้างนอกเนียซ่อนไว้พอกลับไปแล้วก็ไปคิดวิธีนี้หลวงพ่ออตอนนั้นต้องเรียกว่าคุณอาคุณอาบอกว่าไม่ถูกต้องทอํายังไงจะถูกก็ค่อยทดลองอลองๆ อ, อ, อย่างเงี้ยน่าจะเจ๋งละวถึงเดือนก็มาส่งอีกนะ ไม่ถูกไม่ถูกอีกแล้วไม่ถูกอยู่อย่างเงี้ยเป็นปีเลยเพราะงั้นไม่ว่าทำอะไรนะก็ผิดทุกทีเลยวันที่จะภาวนาเป็นเนี่นะก็ร้องไห้กลับไปอย่างนี้แหละนั่งรถกลับกระบี่ไปนะแล้วพระทิตย์มันขึ้นหรือพระทิตย์มันตกจาไม่ได้ละแต่พระทิตย์จะขึ้นใจก็ตื่นขึ้นมาเลยอ๋อไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้สึกอยู่กับปัจจุบันนี้เองมีชีวิตอยู่ขณะจิตต่ตอหน้านี่เอง อันนี้มาถามก็ถูกแล้วนะไม่ต้องถามก็รู้ว่าถูกแล้วรู้เองเลยภาวนาเป็นงั้นไม่ว่าเราจะพยายามอย่างไรนะเบื้องหลังความพยายามก็คือความรักตัวเองอยากให้ตัวเองดีอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานเห็นไหมเบื้องหลังมันคือกิเลส ท, ทั้งหมดเลยเราไม่ได้ทํำมิปัสนาจริงๆริมิปัสนาคือการรู้กายอย่างที่กายเขาเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเขาเป็นเราไม่ได้ฝึกอย่างนี้เรากลับฝึกไปว่าทํายังไงจะดีทํำยังไงจะดี หลักของสติปัฏฐานคือการรู้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือการทํารู้กับทำนี่คนละเรื่องกันนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อคือนักทํำไม่ใช่นักรู้ดังนั้นมรรคผลนิพพานก็เลยเลือนลางห่างหายไปทุกทีแต่หัดรู้สึกสิรู้สึกกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยหายใจออกก็รู้สึกไปหายใจเข้าก็รู้สึกยืนก็รู้สึกเดินนั่งนอนเคยรู้สึกรู้สึกตัวไป จะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะดูจิตดูใจเราก็แค่รู้สึกขึ้นมานะมันโกรธขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันโกรธ ไ, ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำยังไงจะไม่โกรธหรือทํำยังไงพอโกรธแล้วทํายังไงจะหายโกรธเนะี่ยอันนี้คิดจะทําอย่าทำนะให้รู้เอานั้นถ้าดูให้ดีแล้วคําสอนใน ส, สติปัฏฐานในมหา ส, สติปัฏฐานสูตรนี่มีกิริยาอยู่คําเดียวคือคําว่ารู้ไม่มีคําว่าทำ หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้อยู่เายใจก็รู้อะไรเงี้ยนั่นสอนง่ายๆพิสูุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้นะเดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้พิสูุทั้งหลายก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้คูกก็รู้เหยียดก็รู้จะเคลื่อนไหวทําอะไรก็ค่อยรู้ไปถามว่ารู้อะไรก็รู้ร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไปเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะ การรู้เนี่ยรู้2 อ, อย่างซ้อนกันรู้ด้วยสติและรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายนะอย่าให้กายหายไปนะเวลาเราใจลอยเรียกว่าขาดสติสังเกตนไหมเวลาเราใจลอยคิดโน้นคิดนี่ไปร่างกายหายไปนะเราไม่รู้ถึงความมีอยู่ของกายก็เรียกว่าขาดสติไม่รู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจก็เรียกว่าขาดสตินี่ให้เรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้มีสติรู้ทัน ร่างกายกําลังหายใจออกร่างกายกําลังหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจนะร่างกายหายใจเสร็จแล้วก็รู้ด้วยปัญญาว่าตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกําลังหายใจอยู่เหมือนตัวอะไรก้อนหนึ่งที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ารู้ด้วยปัญญางั้นการทําสติปัฏฐานนัเราจะรู้มีแต่คําว่ารู้แต่รู้นั้นมีสองอย่างคือรู้ด้วยสติและรู้ด้วยปัญญาสองอย่างนั้นซ้อนกันอยู่นะ รู้ด้วยสติคือเช่นความโกรธเกิดขึ้นมีสติระลึกรู้ว่าอ้อโกรธขึ้นมาแล้วมีปัญญารู้ว่าอ๋อความโกรธไม่ใช่ตัวเราหรอกความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความโกรธเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ไล่ก็ไม่ไปบังคับไม่ได้เห็นแต่ตัวสภาวะว่ามันเป็นไตรลักษณ์สภาวะใดปรากฏในกายก็เห็นแล้วมันไม่ใช่เราสภาวะใดปรากฏขึ้นทางจิตใจก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรา นี่ถึงจาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนานะดูลงไปเรื่อยๆในที่สุดวันหนึ่งก็ละความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นตัวเราได้ผู้ที่ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราคือพระโสดาบันแล้วก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกรู้ต่อไปทุกวันทุกวันรู้เหมือนเดิมนั่นแหละรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คืออย่าลืมกายอย่าลืมใจนะอย่าลืมถึงความมีอยู่ของกายของใจให้กายมันมีอยู่เรื่อยๆ แต่แต่ว่าไม่ใช่รู้แล้วก็ไปเพ่งเอาไว้ต้องรู้ด้วยปัญญาเห็นไตร ล, ลักษณ์ไปเรื่อยๆร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่คงที่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่คงที่จิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่คงที่นี่เป็นอนิจจังนะร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ถูกกิเลสตัณหามันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะถูกเสียดแทงทนอยู่กับที่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาดินพล่านพล่านไปตลอดเวลา เนี่ยดูเพื่อให้เห็นอย่างนี้มีสติรู้กายมีสติรู้ใจก็รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจมีปัญญารู้กายมีปัญญารู้ใจคือรู้ความจริงของกายของใจเพราะรู้ถึงความมีอยู่เนี่ยด้วยสติรู้ถึงความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาถ้ารู้สองงานนี้ซ้อนอยู่คําว่ารู้ในสติปัฏฐานเลยมีสองอย่างนี้ซ้อนกันอยู่อย่างสั้นให้ดูเวทนานะพิสูจทั้งหลายนะ เมืม่อมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์ก็รู้ว่ามีความทุกข์เฉยๆรู้ว่าเฉยๆท่านไม่ได้สอนนะพิสูุ์ทั้งหลายให้รีบหาความสุขพิสูจทั้งหลายให้ปฏิเสธความทุกข์ไม่เคยสอนนะพิสษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาให้รู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมปีญามีแต่คําว่ารู้ท่านไม่ได้สอนนะพิสูุทั้งหลายห้ามมีราคะพิสูจ์ทั้งหลายถ้ามีราคาแล้วให้รีบละเสื่อไหว้นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะรู้ว่ามีราคะรู้ยังไง ร, รู้ด้วยสติคือรู้ว่าราคะเกิดขึ้นมาเห็นราคะเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วก็สติรู้ทันเลยนี่แอบแปลกปลอมเข้ามาแล้วรู้สติเหมือนยามเฝ้าบ้านนะผู้ร้ายเข้าบ้านแล้วเห็นรู้ด้วยปัญญาก็เห็นว่าราคานะนั่นมันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจของเราด้วยเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตใจไปรู้เข้าชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปนี่รู้ด้วยปัญญางั้นฝึกไปนะมีแต่คําว่ารู้จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีโทสะภิกษุทั้งหลายมีโทสะแล้วรีบละไวไวไม่ได้สอนอย่างนั้นนะสอนให้รู้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรเราทํา กิจกรรมที่เกินจากรู้นะัไม่ใช่วิปั ส, สนาแท้ๆแล้จะกลายเป็นการบังคับตัวเองสังเกตไหมว่าเราจะทําคําว่าทำจะทาอะไรสิ่งที่ทําขึ้นมาได้ทั้งหมดก็ไม่บังคับกายก็บังคับใจทําได้แค่นั้นเองไม่ได้ทําอะไรมากกว่านั้นเลยนะเช่นเราจะเดินจงกรมใช่ไหมเราอยากปฏิบัติเราจะเดินจงกรมเราบังคับตัวเองนะต้องเดินท่านี้นะท่าอื่นไม่ได้ต้องเดินจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เท่านั้นนะเดินที่อื่นไม่ได้ถ้าเดินจาก ตกทางจงกรมไปถือว่าไม่ได้เดินจงกรมเนี่ยเราเข้าใจผิดตลอดเลยเดินจงกรมก็ไม่มีอะไรก็แค่ว่ารู้สึกตัวอยู่ในขณะที่เดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูมันแค่นี้เองจะเดินกลับไปกลับมาหรือจะเดินไม่กลับไปกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำคัญอยู่ที่ความมีสติสาคัญไม่ได้อยู่ที่ท่าเดินหรือไม่ได้สาคัญอยู่ที่ที่ที่เดินนะงั้นทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกเดินจงกรมทั้งหมดเลย ตลอดเวลาที่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกนั่งปฏิบัตินั่งสมาธิอะไรแล้วแต่จะเรียกส่วนนั่งแล้วก็ใจลอยเคลิมเคลิมไปหรือนั่งเพ่งใจนิ่งนิ่งอยู่ที่ท้องอะไรนี่ถ้าใจลอยเคลิมเคลิ้มไปก็เรียกขาดสติถ้าเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็ได้แต่สมถะนะแต่ถ้านั่งไปแล้วเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูร่างกายที่กาลังหายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นการเจริญวิปัสสนาะ งั้นมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่ารนะวิปัสสนาแท้ๆทำทุกครั้งที่มันมีสติมีปัญญาขึ้นมารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจด้วยสติรู้อย่างที่เขาเป็นด้วยปัญญารู้ไปเรื่อยง่ายนะไม่เห็นอะไรจะง่ายเท่านี้เลยสมถะทำยากนะวิปัสสนาทำง่ายเพราะวิปัสสนาไม่ต้องทำอะไรรู้ลูกเดียวสมถะทาทยากจิตไม่สงบต้องทาให้สงบไม่ใช่เรื่องง่าย สงบแล้วต้องรักษาเอาไว้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายงนะรักษาเก่งแค่ไหนวันหนึ่งก็เสื่อมฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมถธิทำยากนะวิปัสสนาไม่ต้องทําเลยง่ายง่ายเพราะไม่ต้องทำนะถ้าใครมาถามหลวงพ่อว่าจะทํำยังไงถึงจะถูกแล้วก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจคําว่าวิปัสสนาควรจะถามว่าจะรู้ยังไงดีรู้ยังไงดีล่ะอันแรกรู้อะไรรู้กายรู้ใจใไหมวิธีรู้รู้ยังไง กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่งงางนั้ น, งงนรู้แล้วไม่แทรกแซงนะไม่จงใจจะรู้ด้นะสติจะรู้กายก็รู้กายสติจะรู้จิตก็รู้จิตไม่จงใจนะนี่ค่อยฝึกไปนะวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจธรรมะเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกอ้าวเชิญยกมือยกไวมากกว่านั้นครับนมัสการหลวงพ่อครับผมฟังซีดีมาปีกว่าครับแล้ว คืนหนึ่งนอนนอนกลนนะแล้วก็มีมีจิตออกมามองเห็นตัวเ อ, อเองนอนกลนนะออดมนีมันคืออะไรครับมันไม่มีอะไรหรอกเรามีสติขึ้นมาเห็นไหมร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันนอนกลนของมันเองนะใจเราไปแค่เป็นคนไปรู้มันเข้ากายกับจิตมันแยกกันแล้วแฟนเขาสับฝา ก, กถามนะระหว่างสวดมนต์เขาก็เห็น มาเห็นร่างกายตัวเองสวดมนต์ด้ <ฮะ S 1> ใช้ได้<ะ>ดีแล้วก็ลูกน้องที่บริษัทเขาปวดไม่เกินนะฮะเขานอนท้องพูดโธแล้วเขาบอกเขาเห็นตัวเองนั่งยองๆมองดูเออนั้นเป็นเรื่องของสมาธิแล้วอ๋ อ, อครับเป็นเรื่องสมาธิแล้วจิตมันมีสมาธิบางทีมันแยกออกมาจากร่างกายแล้วก็มานั่งมองตัวเองอยู่นะแล้วสมมติถ้าเห็นมองนี้เราควรจะมองร่างกายหรือมองจิตใจครับ อถ้าสงสัยให้รู้ว่าสงสั ย, สง ส, ยสงสัยน ะ, นะครับร <c oughs> ู้ลงปัจจุบันถ้าเกิดอาการอย่างนี้คือมาตรงทางหรือยังครับใช้ได้นะอ๋อครับถ้าเรายังเห็นจิตใจ <c oughs> เห็นร่างกายทำงานไปเรื่อยๆเราเป็นแค่คนดูอยู่นะใช้ได้ครับขอบพระคุณครับเป็นเรื่องของสมถะนะกราบน้ำมัสการหลวงพ่อครับเมื่อเดือนตุลาคมผมมา กราบหลวงพ่อหนึ่งครับตอนนั้นก็ถามหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติเป็นยังไงหลวงพ่อบอกว่าจิตผู้รู้ผมยังแข็งแข็งแล้วก็การรู้ของผมมันยังไม่ใช่ผมก็ไปตามรู้กายรู้ใจก็สามเดือนแล้วมาถามหลวงพ่อใหม่ครับรู้สึกไหยจิตขณะนี้ไม่เหมือนเมื่อสามเดือนก่อนเห็น <He hn S 2> ความแตกต่างไหมเห็น <laughs> ครับเห็นไหมว่ามันสบายกว่าก่อนมันเบากว่าเห็นไหมแต่รู้สึกว่าบางครั้งผมยัง จงใจไปรู้มันอ่าดีที่รู้ว่าจงใจแต่เดิมเนะี่ยจงใจไปรู้ไม่รู้ว่าจงใจก็เลยไปเพ่งเอาไว้ตอนนี้เราจงใจดูรู้ว่าจงใจดูนะมันจะค่อยๆ ค, ค, คลายออกหลวงพ่อครับเราผมเคยแบบว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยชอบอ่านหนังสือแล้วบางครั้งเคยหัดปฏิบัติเองอย่างเงี้ยเวลานั่งสมาธิมันจะมันจะเสียว ท, ที่หน้าผากอะฮะแล้วทําไมล่ะ พอเลิกนั่งมันก็หายเห็นไหมไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าถ้าถ้าในชีวิตประจําวันตามดูจิตไปมันไม่เป็นไม่เป็นหรอกนะอันนั้นเป็นอานาจของสมาธิตัวถ้ามนะผมต้องการแบบว่าพักผ่อนพักผ่อนทําได้หลายอย่างนะฟังซีดีหลวงพ่อทําใจสบายๆจิตก็ได้สงบลงมาแล้วนะหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าจิตก็สงบแล้วของคุณนะั้หลวงพ่อไม่แนะนําให้ไปทําสมาธิมากนะักเดี๋ยวกลับไปติดที่เดิม เพาตัวนั้นขวางการเจริญปัญญาเห็นไหมถ้าเป็นนิ่งอยู่ที่นั้นนะมันนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตรงนี้รู้สึกไหมจิตผู้รู้ของเราเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดดูออกไหมเนี่ยจิตผู้รู้มันเกิดดับให้ดูได้ด้วยนะอย่างนี้ดีกว่านะขอบพระคุณคนระับเอ้าสาวเฮ้สาโรุสิสารสุารก่อนสารุสา ร, สารุคืนเข้ามามัน <c oughs> ประท้วงในใจแล้วอ้า <c oughs> <c oughs> เมื่อวานมีคนนะแหมนินทาเราในใจไม่มองไม่ดู <c oughs> หลวงพ่อนี่ไม่เห็นสักทีอกออ็ตอนนี้ตื่นเต้ น, นะครับผมโมหะที่ในื่อกี้ีอยู่ก็ซาลงไปครับ <c oughs> แล้วก็มันฟุ้งซ่านเรื่องที่ท่องมาจะส่งกันบ้านหลวงพ่ออครับผมเ อ, อที่พอดีมีกระยาณ น, นริศนะฮะเขามาเขามาต่อว่าเราว่าเหมือนกับว่าเรารู้สึกตัวน้อยไปครับผม ก็เลยจิตมันก็สลดแต่ก็มีพอมันตั้งหลักได้มันก็มีความเพียรในการที่ว่ารู้สึกตัวครับผมก็การที่รู้สึกตัวก็มันมาทำให้คลายความสงสัยครับผมคือผมสงสัยมาตลอดว่าแค่การรู้สึกเตือเนี่ยมันการรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเจริญปัญญาได้จริงๆหรือเปล่าครับผมแต่ว่าพอพอเรามีความเพียรรู้สึกตัวมากขึ้นปุ๊บมันก็สังเกตเห็นว่าจิตมันก็มันมันเจริญปัญญาของมันเองครับผมมันเห็นความ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันชั่วคราวนะครับผมแล้วก็บังคับไม่ได้นะครับผมดีหนะ้าภาวนาปเป็นแล้วดูไปเรื่อยเยใช้ได้แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาคือมันจะมีสังเกตเห็นว่ามันมีทิฏฐิของตัวเองครับผมว่าเราไปยึดกับความคิดของตัวเองนะครับผมแล้วใครทําอะไรเราก็จะคอยไปตําหนิเขาในใจครับผมดีแล้วถ้ารู้ทันนะก็มีเรื่องน้อยลงไปเยอะเลย <c oughs> ถ้ารู้ไม่ทันคนมันทะเลาะ ก, กันด้วยสองเหตุผลนะผลประโยชน์ขัดกันกับความเห็นขัดกัน ในพระตจปิดกก็บอกว่าคารวะกับคารวะพระราชากับพระราชาเนี่ยทะเลาะกันเพราะตัณหาและทิฏฐิตัณหาคือมันอยากนะมันอยากอะไรมันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยนี่ทิฏฐิคือมีความคิดเห็นขัดแย้งกันรวมความแล้วก็คือผลประโยชน์มันขัดกันกับความเห็นมันขัดกันก็สู้กันละถ้าเรารู้ทันจิตที่ไปยึดในความคิดความเห็นตัวเองนะความยึดถือตัวนี้คลายไปเราสบายขึ้นเยอะเลยพวกที่ชอบยึดในความคิดอ่ะ อย่างวันนี้มีหมอภัยมานี่หมอภยัยหมอภัยที่บ้านนะเคยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งยึดในความเห็นมากยึดความคิดอย่าไปบอกเขานะ <c oughs> จะจู้จี้จุกจิกมากเลยคนนี้ต้องอย่างนี้คนนี้ต้องอย่างนี้ฉันเองก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้มีแต่คำว่าต้องทั้งบ้านเลยนะใครทำอะไรคลาดเคลื่อนจากตัวนี้นั่นจะโมโหเพราะนั้นในบ้านไม่มีความสุขมาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อเลยบอกให้ไปดูความยึดในความคิดเห็นของตัวเอง พอแกเห็นนะแกสบายเลยดูลูกเต้าเสียผู้เสียคนเดียเลิกปกครองนะแล้วหลวงพ่อมีการบ้านอาศัยให้ไปดูเลยเพิ่มเติมดูบ่อยๆนะทำเป็นแล้วก็ต้องไม่ขี้เกียจแต่ไม่รีบร้อนไม่ขี้เกียจแต่ไม่รีบร้อนสาวบิ๊กเป็นที่สองเอยากเขาอยากส่งการบ้านมาหลายวันแล้วค่ะอ๋อเอามาคนนี้มันช่วยหลวงพ่อทํางานมาเยอะแล้ว เดี๋ยวบรรลุนิติภาวะแล้วว่าจะตั้งเป็นกรรมการบังคับให้ลูกส่งเปล่าเดี๋ยวชักสงสัยว่าไงวันนี้ก็บังคับแม่มาด้วยค่ะล้วปัญญส่งอะไรยังไม่กล้าส่งให้คนอื่นก่อนไปแล้วเดี๋ยวมาส่งนอกรอบบิครับวันนี้ผมมีโมหะครับแต่ว่าวางฟอร์มด้วย วางฟอร์มครับแต่ผมว่าช่วงนี้ถ้าไม่ต่อหน้าหลวงพ่อผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะก่อนจะจับไม้อะยังดีอยู่ถ้า จ, จับไม้แล้วเลยเสียแก๊กครับติดแ ก, ก, ก๊กไปนดิดนี่ไม่ใช่ไทยแก๊กนี่ไทยแก๊กอ่าว่าไปแล้วครับไม่มีอะไรจะส่งแล้วครับงั้นก็ส่งไม้นอนไปข้างหลังนี่ลูกศิษย์วัดโน้นวัดจันทร์คาเวียสโกใช่ไหมใช่ไหมหรือไม่ใช่เอ ก็กราบนมัส ก, การอาจารย์นะฮะก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดสุ น, นันทรวราลามที่ัยโยกฮะแล้วก็บังเอิญได้รับหนังสือของพระอาจารย์เรื่องทางเองฮะก็เลยอ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มีความเข้าใจอะไรมากขึ้นวันนี้ออกจากบ้านปีหจากกรุงเทพมาตั้งใจมาพบอาจารย์ฮะแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าคนเรามีสองจริต ที่ิจริตรักข้จริตผมไม่ทราบว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วกเว็เวลาปฏิบัติของผมก็คือเช้ากลางคืนจะสวดมนต์นั่งสมาธินะแล้วเวลาปกติก็จะตามรู้ไปเรื่อยๆนะอมไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรดีครับทีจะถกส่งไมมาแล้วคุณก็นั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูนั่งไปเลยนะเหมือนที่นั่งจริงๆนะลืมหลวงพ่อซะแล้วนั่งไปอ่าวลา อ้าเด็กนั้นเหรอเด็กจะส่งป่ะส่งเนี่ยยังเขินยอยู่อ้าววิลาคือหลังๆมันมันเริ่มมันเริ่มวนเข้าไปลักษณะเดิมที่เคยเจอค่ะอย่างเช่นเวลาแป๊บหนึ่งก็ค่ ะ, ะคุณเบอร์15รู้สึกไหมมันน้อมใจเข้าไปให้นิ่งเห็นไหมไม่นั่งแป๊บเดียวนะใจเริ่มนิ่งๆสุมๆแล้วอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธินะนั่งหายใจด้วยความรู้สึกตัวอย่าให้จิตเคลิ้มลงไป เห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆเราฝึกอานาปนสติเนี่ยนะคือฝึกสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะไม่ได้ฝึกให้จิตเคลิ้มขาดสตินะต้องระวังนะเริ่มต้นตรงนี้ไม่ถูกหรอกหลวงพ่อเสียเวลาอยู่ตรงนี้ตั้ง22ปีเ น, นี่ยแล้คุณหายใจใหม่นั่งไปไม่ต้องถามนั่งหายใจไปอ้าวตอนนี้ ม, นมันมันมันแองแมงมันก็เริ่มไม่ปล่อยตัวไปแองแมงแล้วอะค่ะ มันเหมือนกับว่าพอมีโมหะ ก, ก็ถึงแม้จะรู้ได้ไม่ไม่ตั้งมั่นก็ค่อยๆรู้ไปอะคะอ่ะพอพ่อไหวไหมคะหลวงพอไหวนะพอไหวคะ่ะข้างหน้าหลวงพ่อคะคื อ, อรู้สึกว่าติดใจมันทํางานของมันเรื่อยๆไปตลอดวันถ้าต้องการจะให้มันหยุดก็ต้องไปเพ่งเช่นไปดูโทรทัศน์ไปอ่านหนังสือค แล้วก็ถ้าเวลานอนเนี่ยก็คือไม่มีไม่มีปัญหา<ช>แต่ว่าตอนเนี้รู้สึกคือหนูว่าหนูตื่นแล้วหนูคิดไปเองหรือเปล่า<ช>หรือว่าตอนหรือว่าหลงไปแต่รู้สึกว่าใจมันสบายอะค่ะคิดไปเองนะแต่คิดถูกต้องต้องไปทำอะไรคือไม่ไม่อยากทำอะแล้วพอทําแล้วมันก็หนักอะค่ะไมใช่มาทำแล้วมันก็ผิดสิสร้างพบสร้างชาสร้างทุกข์คุณเบอร์สิบห้นีไปคิดแล้วนะขาดสตินะอย่างนี้เรียกขาดสติใจลอยไป ได้สองสภาวะแล้วนะหนึ่งนั่งสมาธิแล้วน้อมใจลงไปให้เคลิบนิดอันหนึ่งไม่เอาอีกอันหนึ่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยใจหนีไปคิดให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วใจจะหนีคิดทั้งวันเราก็รู้บ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีของคุณเบอร์73น่ะยังบังคับตัวเองไว้นิดหนึ่งนะแต่ว่าใจมันเริ่มตื่นแล้วมันปล่งปร่งขึ้นมาแล้วอ่ะคุณนี้สง่งยางทางนี้มีไหมไม่มีจะได้ส่งไปข้างโน้นบ้างเห็น <c oughs> เขายกมาับะ ในมรด ก, การค่ะหลวงพ่อคือว่าก็เคยฟังฟังซีดีมาตลอด น, น, นะคะแต่ว่าครั้งนี้จะก็มาส่งกันบ้านนะคะก็คือแรกๆเนี่ยก็คือตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่ากายเนี่ยเออใจเนี่ยบางทีเนี่ยเอาไปออกออกไปจับอารมณ์ข้างนอกมันก็จะเห็นว่ามันทุกข์ก็เลยเห็นสภาวะว่ า, วาอ๋อเนี่ยคือมันหลงแล้วก็บางทีก็อ๋อมันพอรู้ตัวก็อ๋อนี่คือไม่หลงก็คือจับสภาวะอย่างนี้ได้ แล้วก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันมีผู้รู้ผู้ดู mm. คือคือเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่เหมือนหุ่นยนต์นะคะก mm. ็คือบางทีก็เห็นว่าแบบมันก็ทำงานเองเดินเอง mm. อะไรอย่างนี้ไปได้ของมันเองะคะ่ะแล้วก็พอตามรู้ตามดูไปอีกก็ยังไปเข้าไปซาวนา่าก็เห็นความร้อนก็ดูความร้อนมันก็มันก็ร้อ น, นะคะก็ดู ดูไปเสจก็เห็นใจเริ่มเต้นก็ดูไปก็้องดูทกายที่ใจเราเนะพอดูพอดูใจเริ่มเต้นเสร็จก็เห็นว่ามันอึดอัดมันแน่นก็ดูเป็นแน่นคือมันมันทำอะไรไม่ได้ก็เห็นว่ากายเห็นว่ามันมันทำงานของมันเองโดยปกติเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวละก็เดินออกมาก็เห็นสภาวะว่าเออมันหายไปอก็เลยเห็นว่ามันเกิดดับแล้วก็เห็นว่ามันมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับอพอพอเห็นสภาพนี้ก็ดูต่อไปเรื่อยๆเสร็จก็กลับมาแล้วก็มานั่ง ภาวนานั่งสมาธิค่ะก็นั่งแต่ว่าหนูไม่ได้นั่งสมาธนะคะก็คือนั่งนั่งเฉยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆคือดูตามตามดูไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอมันมีเหมือนเมืนเหมือนกับว่ามันมีผู้รู้ค่ะแล้วก็ดูตัวเนี้ยหายใจดูท้องพองยุบดูไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งสมาธิก็เห็นว่ามันปวดหลังก็ดูว่ามันเออมันก็คือปวดแล้วก็แล้วมันก็หายไปพอเสร็จแล้วก็เมื่อสมวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็พอนั่งปุ๊บ นั่งดูเสร็จแล้วมันก็เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันกระดับแล้วมันทุกอย่างมันเสมอภาคกันหมดเลยคือไม่ว่ากุศลหรืออกุศลเนี่ยคือมันมันขึ้นมาบางทีเรามีความสุขก็เห็นว่าเออมันสุขแล้วมันกระดับแล้วเดี๋ยวบางทีมันขึ้นมามันปวดมันก็ทุกข์เออแล้วมันก็ดับคือมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนสภาพมันเท่ากันเลยมันไม่ได้ว่าจะเอากุศลแต่ก่อนคือคิดว่าเออปิติจะต้องเอาปิติอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่า เอออะไรเกิดขึ้นมามันเหมือนใจเราแยกอยู่ต่างหากแล้วก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วก็ดับพอหลังๆก็จะแบบรู้สึกว่าไม่ให้ค่ามันละอคือแค่ว่าบางทีอึดอดัดรู้ว่าอึดอดัดก็อึดอดัด <ấp> บางทีมีแบบอะไรนิดๆหน่อยๆ ใ, น ใ, นใจในใจก็อืรู้ก็รู้แล้วก็เฉยๆแล้วหนูก็ไปนอนพอนอนเสร็จก็มันก็มีติดดวงหนึ่งคือมันมันก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยนอนท่านี้พอนอนท่านี้เสร็จมันก็เห็นว่ามันปวดอมันก <scans> ็เห็นว่าความปวด แต่มันไม่ได้เห็นว่าเราปวดมันก็เห็นว่าติดดวงหนึ่งกายตัวหนึ่งแล้วก็ความปวดตัวหนึ่งมันก็เห็นอย่างนั้นนะคะหนูก็เลยแล้วก็หนูฟังซีดีของหลวงพอ่อแล้วก็เห็นบอกว่าถ้าเกิดพบผู้รู้เนี่ยให้ดู คืออย่าไปเพ่งผู้รู้ใช่ไหมคะไม่เพ่งคราวนี้ก็คือดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะขันว่นกระจายตัวออกแล้วขันแต่ละขันก็ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราใช่ค่ะมันเหมือนกับว่ามันมันมันมันไม่ใช่แต่จะรู้ว่ามันไม่ใช่เนี่ยคือมันต้องมีสติคือเหมือนกับพอมีสติปุ๊บรู้ละมันไม่ใช่เราเห็นเห็นการเดินอรู้ละหุ่นเดินถ้าเรามีสติเห็นตัวสภาวะคือเห็นการเดินแล้วก็เกิดปัญญาเห็นว่าตัวที่เดินมันไม่ใช่เราใช่สติปัญญาเกิดไปอย่างนี้ได้ ในขณะที่ใจเราก็ดูอยู่สบายๆใจเราตั้ง<ช>มั่นสบายนี่เรียกว่าใจมีสัมมาสมาธิปฏิบัติถูกต้องแล้วนะถุกเ<ไ>ป๊ะเลยมันสบายค่ะแล้วหนูก็เลยคิดว่าเออมันสบายแล้วหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาคือทุกๆครั้งที่คุณหลวงพ่อพูดมามันมันตรงหมดเลยมันใช่หมดเลยแบบดูอย่างเดียวนะไม่ต้องแทรกแทงเออใช่ไม่ไม่ต้องแทรกเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อยก็ขึ้นมาแล้วก็ดับเดี๋ยวกุศนเดี๋ยวรู้สึกรู้สึกดีสงบเออเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วก็ดับ คือไม่แทรกแซงหันเลยหยไมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นตลอดเลยค่ะอืดีแล้วสังเกตแม่ขันก็ส่วนขันนะ <c oughs> แล้วทำงานของเขาไปใจของเราแยกออกมาจากขันพรากออกจากขัน <c oughs> ดีฝึกไปเลยนะวันหนึ่งก็จะเข้าถึงธรรมะนะฝ <c oughs> ึกไปเถอะในชีวิตนี้ต้องได้อะไรบ้างแหละ <c oughs> เบอร์79การาบนรมสการพระตางค่ะ อยากขอเลี้ยนถามพระอาจารย์ค่ะ ด, ด้วยด้วยนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างาเวลาที่มีอารมณ์โกโรธหรือว่าอารมณ์ดีใจมากระทบอ่ะแต่ก่อนที่ก่อนที่จะมาฝึกวิปัสสนาก็แบบจะไม่มีอาการที่รุนแรงไปรับรู้อารมณ์นั้นมากคือโกโรธก็ไม่ได้แสดงอาการออกมากแต่หลังจากที่เราเริ่มฝึกวิปัสสนาในการดูจิตตัวเองนะคะเวลามีอารมณ์มากระทบเนี่ย เราจะรู้สึกเฉยๆกับอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นจากที่โดยนิสัยส่วนตัวของเราหรือว่าจากความที่เราเข้าไปรู้เฉยๆแล้ว เ, เกิดความเป็นกลางขึ้นมตอนนีนในนน้ใจเราตื่นขึ้นมาแล้วนะใจเราตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เลยเป็นกลางขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้กดอยู่นะกดกดความตื่นเต้น อ, อยู่อะที่ที่ใช้ที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วดีละทาําได้ถูกต้องแล้วหนูยังติดอะไรอยู่หรือเปล่าคะหืม มันต้องติดนะถ้ามันไม่ติดนะมันหลุดพ้นไปแล้วแล้วควรอาจารย์ให้กันบานเพิ่มได้ไหมคะอะไรนะให้กันบานเพิ่มมีอะไรบ้างดูไปเรื่อยๆใจเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมานะคอยรู้ไปเรื่อยๆเราจะชอบปรุงอย่างส่วนมากนะเวลาเราจะเข้าไปใกล้คนอื่นเราก็ต้องปรุงขึ้นมาให้ดูดีๆอะไรเงี้ยนะวางฟอร์มอะไรพวกเนี้ยเราคอยรู้ทันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะดูง่าย เป็นไหมเวลาเข้าใกล้คนนี้ต้องทําท่าอย่างนี้เข้าใกล้คนนี้ต้องอย่างนี้เป็นบางพัง<ไ>แล้วหลังๆนี่พอรู้สึกว่าเวลาตะกอดเนี่ยเวลาอยู่กลุ่มรวมกับเพื่อนหรือ น, นั่งทานข้าวด้วยกันเนี่ยคุยเวลาเขาคุยเราก็จะเมาส์คือมีอารมณ์ร่วมกับเขาค่ะสนุกสนานไปตามเรื่องที่เมาสแต่หลังๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าอยากแยกตัวออกมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้หนีโลกอย่างที่อาจารย์บอกว่าควรอยู่กับโลกให้ได้ แต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากร่วมวงคือไม่อยากรับฟังอะคะ่ะคือรู้สึกว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแบบลาเขาเม้าคนอื่นเงี้ยคะ่ะเวลาเราต้องอยู่กับโลกนะเราหนีไม่ได้เราก็นั่งดูใจของเราไปนะเขาหัวเราะเราก็หัวเราะไปกับเขาเนี่ยนะก็คอยรู้ทันไปนะอยู่กับโลกจะทิ้งเสีทีเดียวเขาก็ดูว่าประหลาดไปแต่บาง ท, ทีที่ว่าพระอาจารบอกว่ า, อาพอรู้ ึกไปเรื่อยๆจะมีความสุขมีความสุขขึ้นมาเองก็เคยเค ย, เคยสังเกตตัวเองหลายครั้งว่าพอเริ่มมีสติรู้รู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะแบบมีความสุขโชยขึ้นมาเล็กๆแล้วก็แบบเผอ ย, ยิ้มออกมานิดๆนั่นแหละนะมันยิ้มออกมาจากข้างในเลยมันมีความสุขาทางกลุ่มนู้นกุมนู้นนานแล้วไม่ได้สักทีส่งไปเลยเฉียงเฉียงไปนะเฉียงเียงช่วยกันหน่อยซ้อมไว้เผื่อไปวิ่งพลัดขอบคุณค่ะ นมัสการคลวงพอดิฉันอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติคืออยากขอคําแนะนำอะค่ะว่าจะปฏิบัติภาวนาทํำยังไงก็มไม่ต้องทําอะไรนะโมโหเป็นไหมเป็น <laughs> พอโมอโหขึ้นมานะเราก็เห็นใจเราโ ม, หมโหนะพอดีใจเราก็เห็นใจเราดีใจนะพอกลุ้มใจเราก็เห็นใจมันกลุ้มใจ เรานั่งดูใจของเราเนี่ยมันมีอารมณ์ต่างๆนั่งดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติหรอกให้คอยรู้ทันความรู้สึกในใจเราไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอละง่ายๆนะดูไปน้ำมสการค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่โยมปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือเปล่าคะถูกนะอย่างน้อยก็ได้ปฏิบัติล้คือการปฏิบัติหน้าหลวงพ่อว่าเราอย่าไปสนใจ ว่ามันจะได้อะไระถูกไม่ถูกนะเราแค่คอยรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นปัจจุบันสดสร้อนรอ่ะคอยรู้ไปเรื่อยๆมันถูกเองแหละโยมเริ่มเห็นกิเลสบ่อยแล้วใช่ไหมนั่นแหละมันถูกแล้วเห็นไหมสภาวะมันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนี่แหละมัเรียกว่าถูกแล้วต่อไปเราก็จะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวผ่านมาแล้วผ่านไปเริ่มรู้สึกไหมความรู้สึกทุกอย่างมันชั่วคราวกิเลสทุกอย่างก็ชั่วคราวมาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไป ใครดูไปนะในวันหนึ่งเราจะเห็นเลยความสุขก็ของโชคราวความทุกข์ก็ของโชคราภกูศนละหรืออกูศลโรคโกรธลงอะไรล้วนแต่ของโชคราวทั้งหมดเลยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ว่าเราจะไปรู้อะไรก็นั่งดูมันไปดูให้เห็นว่ามันเป็นของโชคราวอย่าไปคิดนะดูจริงๆค่ะขอบคุณเนะขาแกส่งกันบ้านค่ะไม่ได้ส่งมาหเดือนแล้วค่ะ<ม>วันนี้ก็รู้สึกว่าโปร่ปงๆ่ะคะ แต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่คือช่วงแรกๆที่ปฏิบัติดีอะค่ะตารู้สึกก็มีความสุขอยู่เรื่อยๆนะคะทุกวันแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งๆทํางานอยู่แล้วมันมีรู้สึกก็ทุกๆุกมากทุกจนทนไม่ไหวอะค่ะอยากแต่ว่ากลัวคนแถวรอบๆตัวเขาตกใจก็เลยก็เลยทนดูมันไปแล้วมันก็หายไปตอนนั้นต่ตางๆนั่นแหล ะ, ะดูอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็พอตอนปลายๆสัปดาห์ค่ะพอเริ่มไม่สบายทีนี้ดูไม่ได้เลยสามสี่วันนะคะ อ, อยากดูให้ได้ไหมอยากนั่นแหละให้รู้ว่าอยาก เวลาเราดูไม่ได um ้แ uh, ล้วเรากลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจเนี่ยดูได้แล้ง่ายนะคือถ้าเป็นร่างกายปกติอะค่ะพออยากพอเริ่มสบายใจมันจะตามเราได้นะคะแต่พอป่วยแล้วมันมันยังไงมันก็ไม่ได้ค่ะมันไม่มีก็ต้องค่อยๆฝึกตอนที่ยังแข็งแรงนี่แหละฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปตอนป่วยถึงจะทาได้มันเหมือนอย่างเราต้องหัดว่ายน้ําซะก่อนที่จะตกน้ํำจะรอจนป่วยแล้วฝึกเนี่ยไม่ได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังไม่ป่วย ฝึกให้ดีนะถึงจุดหนึ่งพอมันป่วยหนักจริงๆ ร, ร่างกายทาท่าจะไปไม่รอดแล้วเนี่ยจิตใจมันจะตื่นเบิกบานขึ้นมาจะดูร่างกายนี้หายใจเขมเหลาขมเหใกล้จะตายแล้วนีจิตใจมันจะอยู่ต่างหางหลวพ่อคะมีอีกเรื่องที่กังวลอยู่อะคะ่พะพอดีเป็นคนที่ฝันฝันทุกแทบทุกคืนนะคะเราจะฝันม่วแบตื่นขึ้นมาจะเพลียมากมทีนี้เคยได้ฟังหลายๆคนบอกว่าพอเจริญสติ อ่าเป็นประตามแล้วกลางคืนก็จะรู้ตัวแล้วในฝันก็จะรู้ปะ่ะหนูนอนน้นจะรู้ส่วนมากจะมั่วเลยเทขนาดบางที่ฝันเรารู้สึกตัวลุกขึ้นมาสวดมนต์พอลงไปนอนฝันหนักกว่าเดิมเนี่ยนั่นแหละจิตเขาสอนธรรมะเราเราบังคับเขาไม่ได้เขาทํางานของเขาเองอจริงๆแล้วเราร่างกายเนี่ยนะเวลานอนเนี่ยร่างกายต้องการนอนมากกว่าจิตใจร่างกายนอนไปสมมุติว่า5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรเนี่ยจิตใจนอนชั่วโมงสชั่วโมงเท่านั้นแหะ มันนอนพอแล้วมันจะขึ้นมาคิดแล้วงานของจิตก็คืองานคิดในการคิดตอนที่หลับเนี่ยเราเรียกว่าฝันนั้นเราจะไปห้ามความคิดในตอนตื่นยังไม่ได้เลยเราจะไปห้ามความฝันตอนหลับไม่ได้นะสังเกตไหมตอนตื่นเราก็ห้ามไม่ได้ใจจะคิดเนี่ย<ะ>ไม่ต้องไปฝึกห้ามนะฝึกสติในชีวิตประจําวันเนี่ยมากเข้ามากเข้าแล้วก็ถ้าไปทําสมาธิมากๆนะ ถ้าเป็นสมาธิแบบเก็บกดแล้วก็กังคืนยิ่งฝันมากกว่าคนทั่วๆไปเพราะจิตใจนี่มันถูกกักขังมาตลอดวันแล้วพอกลางคืนไม่มีแรงบังคับมันนะมันจะซนสุดขีดเลยจะฟุ้งซ่านแรงงั้นแสดงว่าที่บางคนบอกว่าพอรู้ตัวได้เป็นขึ้นแล้วกลางคืนจะฝันน้อยลงแต่สบายไม่ค่อยมั่วนี่แล้วแต่คนใช่ไหมคะคือจะไม่ฝันแต่ว่าเราจะเห็นว่าจิตมันคิด มันจะไม่ใช่ฝันแะแต่มันจะเห็นว่าจิตมันชิดไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะเอาพ่อส่งกันบ้านเอาคนนี้ก่อนเชิญการสมัช ก, การค่ะก็คือจะมาส่งกันบ้านของพ่อไม่มาวันหกเดือนค่ะออแต่เวลาฟังเสียหลวงพ่อเรารู้สึกว่าเวลาไม่ฟังมันก็ได้ยินเสียงเงี้ยค่ะไ ม, ไม่แป<ท>แ่กนะเสียงหลวงพ่อตอนนี้นะไม่เคยขาดหายจากโลกเลยมีคนบางคนนะเปิดทั้งวันทั้งคืนนะ เปิดเปลืองไฟไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ฟังดีแล้วล่ะช่วงไหนที่ฟังเรบอกว่าติดติกันพอไม่ฟังปุ๊บมันก็ได้ยินเสียงเออดีแล้วแล้วเวลาไปทําอะไรไม่ดีนะหลวงพ่อจะไปเตือนเองอ่ะแล้วที่ปฏิบัติเป็นไงคะใช้ได้นะสองคนเลยคุณผู้ชายที่นั่งข้างๆด้วยภาวนาได้ดีทั้งคู่นะจิตตื่นขึ้นมาทั้งคู่เลยเอาปอสข้างหลังเอาอาจารย์ส่งก่อนเลยไหนๆก็ถึงแล้ว นี่อาจารย์ใจร้ายนะคนนี้ชอบตีเด็กแต่ก่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ตีแล้วขอบคุณมากค่ะที่ให้กำลังใจดีใจอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็<อ><ด>ตื่น <ใจ S 1> เต้นตอบถูกใช้ได้ผ่านป้าวางฟอร์มแล้วป้อรู้สึกไหมใช่ครับ<อ>ช่วงนี้มันรู้สึกว่า มันสนุกกับทางโลกน้อยลงครับหลวงพอ่อสังเกตเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยเราอินพุตเข้าไปเท่าๆกันแต่ออปท์ออกมาเนี่ยแตกต่างเมื่อวานมีความสนุกในการดูแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนจิตใจจะรู้สึกจะซึมจะกำลังใจตกแล้วอะ <laughs> ไรสิ <laughs> พูดไม่ออกนะฮะ <laughs> เออไม่เป็นไร มันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นงั้นนะมันหมดกําลังใจก็รู้ว่าหมดกําลังใจไม่เลิกมันเบื่อรู้ว่าเบื่อไม่เลิกมันเป็นยังไงก็ไม่เลิกนะส่งไปข้างหลังอาจารย์เรืองชัยน้ำมาสการหลวงพ่อครับไม่มีการบ้านส่งมาเพื่อเติมพลังก็มีหน้าพลังหลวงพ่อหมดไปเรื่อยๆของหลวงพ่อคงไม่หมดดีแล้วนะจิตมันตื่นแล้ว <ไ>แล้ว ก, มก็มาเป็นเพื่อนพระอาจารย์ที่เป็นหมอด้วยกันก็เป็นอ า, อาจารย์ผมบวชมาสิบกว่าพรรษาแล้ววัดดอยอาคุณเสื้อเหลืองเาคนนี้ก่อนได้ไหนไหนก็ได้ไมล้ละการาบนมัสการนะคะฟังซีดีหลวงพ่อเกือบทุกวันนะคะแล้วก็วันละหลายเวลาด้วยเลยอยากทราบว่า ตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี่ภาวนาชักเป็ดแล้วเห็นไหมค่ะอยากจะทราบว่าทุกครั้งที่ได้ฟังแล้วมันเหมือนจะมีพลังในการที่จะแบบรู้แล้วก็อยากทราบว่าวางจิตวางใจแล้วก็รู้ถูกแล้วหรือยังคะรู้ถูกแล้วนะจิตมีพลังรู้ว่ามีพลังจิตของคุณมันจะตื่นอยู่แล้วล่ะนะมันคอยรู้สึกไปของคุณเห็นแล้วใช่ไหมกิเลสเกิดได้ทั้งวันเลยค่ะนั่นแหละจิตเราตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็เลยเห็นกิเลสมันปุดปุดตลอดเลย เห็นใจที่แอบปไปคิดไหมใจที่แอบปไปคิดนั่นเห็นแว บ, บๆๆนะฝึกรู้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกสิ่งในชีวิตเราเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยทุกสิ่งในชีวิตเราล้วนแต่บังคับไม่ได้ทั้งกายทั้งใจนี้มันทํางานของมันได้เองดูไปอย่างนี้นะค่ะก็พอจะทราบว่าผลของการปฏิบัติมันทําให้หนูเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมากเหมือนกันคะ่ะโอ้มากเลยละนะค่ะมากๆเลยค่ะอย่างแต่ก่อนเรานึกว่าเราดี ภาวนาแล้วเรารู้เลยเราเปลี่ยนแปลงที่แท้เราร้ายกนะิเลสเรานี้เยอะเลยแต่ว่าแต่ก่อนเราทุกข์เยอะเดี๋ยวนี้เราทุกข์น้อยลงทุกข์สั้นลงเนะคยโกรธคนนานๆก็โกรธสั้นๆแล้วก็ให้อภัยคนมากขึ้นด้วยคนะ่ะ<อ>นั่นแหละพัฒนาการมันมีแล้วฝึกไปนะธรรมะจะให้ความสุขที่สุดเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรจะให้ความสุขเราได้มากเท่ากับธรรมะหรอก ธรรมะเนี่ยให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยแล้วยิ่งมีความสุขเป็นเรื่องแปลกนะกายกับใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตัวจทุกท่านบอกทุกให้รู้คือให้รู้กายให้รู้ใจไปเรื่อยแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือความพ้นทุกข์รู้สึกไหมใจเราพ้นทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้น <c oughs> เรารู้สึกด้วยตัวเองคนรอบข้างของเราก็รู้สึกได้มีใครบอกไหมว่าคุณนี่เปลี่ยนไปแล้วก็ <c oughs> มีแต่คนบอกว่าสวยขึ้นนะคะอ่ามันต้องอย่างนั้นสินะ ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังแล้วสวย <c oughs> มีคนไปให้สัมภาษณ์นะลงนิตยสารแอล L. มีอยู่เล่มหลายเดือนแล้วมนะันะ้งนะว่าฟังธรรมะเนี่ยมีรูปซีดีของหลวงพ่อประกอบด้วยเพราะนั้ <c oughs> นใครมีซีดีหลวงพ่อแล้วมีโอกาสสวย <c oughs> แต่อย่าเอาครีมไปทาซีดีแล้วถูหน้านะ <c oughs> <c oughs> เอาไปฟัง เห็นไหมพวกเด็กผู้หญิงชักคึกคักแล้วเนี่ยเนี่ยจะต้องฟังเป็นแกนนำค่ะดีๆอ้าคุณเสื้อเหลืองถึงวันนี้นะญาติโยมภาวนาเป็นนะเยอะมากหลวงพ่อนับไม่ถูกแล้วสมัยก่อนนะกว่าจะเข้าใจการปฏิบัติคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยหายากมากนะหลวงพ่อเที่ยวตะเวนไปตามสำนักครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะบวชนานแล้วยี่ปีก่อน สอญาติโยมไว้กลุ่มหนึ่งเพื่อนกันเวลาพาเข้าวัดไปครูบาอาจารย์หันมามองเลยบางทีท่านถามเลยว่ามันไปรวมกันมาได้ยังไงมากขนาดนี้ไม่ได้ไปรวมมาจากไหนหรอกค่อยๆฝึกขึ้นมาแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่สิบคนนั้นหรือ20คนแรกอะไรเงี้ยวันนี้เป็นร้อยเป็นพันคนที่จิตตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมานะถ้าวันไหนเรารวมกันไปทอดผ้าป่าที่ไหนวัดครูบาอาจารย์เอาให้ท่านตกใจสักวันหนึ่งนะ มันมากันได้ยังไงหมื่นคนอย่างเงี้นะมันตื่นมาได้ยังไงนะนี่ศาสนาเราจะแข็งแรงนะเพราะพวกเราแต่ละคนแต่ละคนได้เข้าใจธรรมะลนะพวกเราแต่ละคนมีความสำคัญนะสังคมกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยธรรมะถูกท้าทายรอดแร่รอดแร่แต่พวกเราได้ฟังธรรมะจนจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้เราเห็นสภาวะของกายของใจ เราปลดเปรื่องความทุกข์ออกจากจิตใจของเราได้มากขึ้นมากขึ้นเราเห็นคุณเห็นประโยชน์ของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือการรักษาธรรมะไวนะ้ขั้นแรกอย่างน้อยเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงขึ้นมา1คนก่อนนะต่อไปเราเข้าใจแล้วเราบอกต่อนะเราก็จะสร้างชาวพุทธแท้ๆขึ้นมานะชาวพุทธจริงๆมีน้อยนะน้อยมากเลยไม่ใช่ว่ามี50ล้าน60ล้านอะไรหรอกจริงๆมีหมื่นคนก็ยากแล้วนะ ชาวพุทธแท้ๆจะไม่นับถือสิ่งอื่นนะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเนี่ยกล้าหาญเด็ดเดียวถึงจะเป็นจะตายก็ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใจเราเด็ดเดียวขนาดนั้นไหมเราพึ่งตัวเองเราไม่พึ่งคนอื่นไม่พึ่งเทวดาเรากล้าไหมเราพึ่งกรรมของเราเองคือการกระทําของเราเองเพานั้นชาวพุทธนะเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ได้เชื่อสิ่งอื่นว่าใครจะมาดนบันดาลอะไรให้เราได้นี่ชาวพุทธแท้ๆต้องเป็นอย่างนี้ชาวพุทธต้องมีศีล พอเรามีสติขึ้นมาเราคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆเราก็จะรู้เลยว่าการที่เรารักษาศีนนั้นนำความสุขมาให้แต่เดิมเราคิดว่าการถือศีนทำให้เป็นพุกนะถือยากแต่พอเรามีสติศนะีนมันเกิดขึ้นเองเวลาที่เราจะทำกรรมชั่วละเมิดศีนเนี่ยเราละอายแก่ใจเห็นไหมมีฮิรีมีโอตัปากขึ้นมาละอายใจกลัวบาปไม่อยากทาหรอกถ้าทาไปแล้วจิตเศร้าหมองเห็นหมศีมันเกิดขึ้นเอง ศีลเราก็มีเห็นไม้มใจเราก็ตั้งมั่นมีความสุขมีสมาธิขึ้นมาเรามีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยพวกเราฟังทำมามากๆเข้านะเรามีสติขึ้นมาเราก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงจุดหนึ่งจะเกิดวิมุตินะเกิดวิมุติเกิดโสดาปฏิมาคเป็นต้นไปจนถึงสุดท้ายนะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงความทุกข์ก็ตกหล่นเป็นลําดับลําดับไปอดทนนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนที่ช่วยตัวเองหลวงพ่อได้แต่บอกทางให้ ทุกคนต้องช่วยตัวเองรักตัวเองนะต้องช่วยตัวเองด้วยวิธีที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้คือรู้สึกกายรู้สึกใจรู้ทรงไปเรื่อยๆเห็นไหมหลวงพ่อโฆษณาเราใจดีไหม <c oughs> ฟังซีดีไม่มีหลับนี่อา้าวไปถึงไหนแล้วเสื้อเหลืองเชิญครับกลับนมัสการครับหลวงพ่อเมื่อขราวที่แล้วมากลับส่งกันบ้านครับรู้สึกว่าใจมันยังน้อมไปที่จะปฏิบัติหลวงพ่อก็ชี้ให้ดูแล้วก็ <c oughs> สอาทิตย์มาก็รู้สึกปฏิบัติไม่ค่อยได้เลยแต่ว่ามาก่อนจะมาหาหลวงพ่อเนี่ยสอสมวันก็รู้สึกเห็นว่าจิตที่มันน้อมเข้าไปแล้วไปจับนิ่งๆกดเป็นอคุศนอยู่เนี่ยพอสังเกตดีๆแล้วมันไม่ได้เป็นอยู่ตลอดครับตอนี้ไปตอนไปดูสิ่งอื่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปใช่ใช่เติมทีนึกว่ามันอยู่ตลอดเห็นไหมมันเกิดดับเดี๋ยวมันก็ไม่เกิดที่ตาใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ไปเกิดที่หูเดี๋ยวก็มาเพ่งไว้ที่ใจ เดี๋ยวก็หนีไปคิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้รเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเห็นไม่มีแต่ความไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆนะมีแต่ของไม่เที่ยงแล้วก็รู้สึกอยู่ในกายเห็นไ้ยร่างกายเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุของคุณดูกายช่วยไปด้วยนะรจริตของคุณต้องดูกายไปด้วยวสมาธิเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับหลวงพ่อเทศสอนเรื่องว่าเรารักตัวมากก็เลยเอาจิต ไปดูว่ามันรักยังไงครับเสร็จแล้วก็เห็นว่าอ๋อมันเมตตาตัวเองมากแล้วก็ฝึกตรงนี้ให้เป็นสมถะช่วยได้ได้นะเจริญเมตตาตัวเองได้ส่วนมากมันจะเป็นราคะมากกว่าเมตตานะก็เป็นห่วงอยู่เมตตาเนี่ยนะมันเป็นความเป็นความรู้สึกเป็นมิตรนะไม่ได้หวังจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของราคะเนี่ยอยากเอามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ อย่างเราเมตตาคนอื่นนะเรารู้สึกเป็นมิตรกับเขาเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาแต่ราคานะนัเราอยากได้เขามานั้นะตรงนี้ก็เลยพยายามดูตัวเองก่อนแล้วค่อยไปดูคนอื่นเปรียบเทียบกันว่าออที่เราไปดูไม่ต้องเทียบนะออดูตัวเองไปอา <c oughs> จาร์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อบอกการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันสอนเท่านี้เองนะไม่ต้องดูคนอื่นนะบางคนไปทํากรรมฐานเดินจงกรมแล้วไปรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็ง ไม่จําเป็นเสียเวลาเพราะไม่มีใครรู้สึกว่าพื้นเนี่ยพื้นห้องเป็นตัวเราไม่มีหรอกมันต้องรู้สึกที่กายที่ใจของเราเนี่ยจนละความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นตัวเราได้อาต่อไปได้อีกหูยกเพียบเลยเตรียมไว้สามแต่ว่าลืมไปแล้วครับข้อที่สามเด๋องั้นก็ยกเป็นไปอข้างหลังไหนไหนก็ช่วงหลังที่ปฏิบัติอะคะ่ะจะทําพุโทโธให้ใจให้ใจสงบอะค่ะแล้วพอเริ่มพุทปุ๊บเนี่ย มันจะเหมือนมีเส้นกลางๆบางอยู่แล้วข้างล่างนี่เขาจะแบบวุ่นวายไปหมดอะคะอ่ะถ้าไม่ข้างล่างก็ข้างบนจะเป็นอย่างเงี้ยจนค<ด>อหลังเหนื่อยมากก็เลยไม่ทําเหรออ้อาวเสียดาย <c oughs> <c oughs> เอางี้สิให้เห็นว่ามันยุ่งก็ยุ่งไปวุ่นวายเกาวุ่นวายไปเราเป็นแค่คนดูความจริงพุทโธแปลว่าจิตนะพุทโธนะจริงๆแปลว่าจิตคือพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราพุโทโธเพื่อจะให้รู้ทันจิตตัวเองเท่านั้นเองเพราะเราพุโทโธไปแล้วจิตมันแยกข้างบนข้างล่างอะไรเราก็รู้ทันไปพุโทโธแล้วมันอึดอัดรั่วอึดอัดของคุณไปพุโทโธโดยหวังว่าจะสงบมันก็เลยรุ่มใจเห็นไหมพุโทโธเพราะอยากสงบต่อไป น, นี้นเอาใหม่พุโทโธเพื่อจะดูความเปลี่ยนแปลงของใจไม่ใช่พุโทโธให้สงบลองไปปรับวิธีพุโทโธนะแล้วมันจะไม่ไม่อึดอัดแล้วพอบางทีนี้เราดูปกติดูจิตอะค่ะ พอบางครั้งดูจิตไปได้สักพักหนึ่งเขาจะเปลี่ยนมาดูเป็นดูกายเองหลวงพ่ อ, อสอนตะกี้ไงว่าสติบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตไม่มีนะสายกายสายจิตไม่มีหรอกเขาจะสลับเองอถูกต้องมากยานกือส7บดยกมือ3าสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวมีข้างหลังอีกคนหนึ่งผู้หญิงขอโอกาสครับช่วงที่ผ่านมานี่ มันรู้สึกจะเข้าไปตะลุมบอลมากไปหน่อยครับอ mm ืครับอย่างบางวันเนี่ยอาภาวนาตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวคืนนี้จะสู้กับสู้กันทั้งคืนแต่ส่วนใหญ่จะไปไม่ค่อยรอดครับ mm hmm. เ, เห็นตัวอัตตาเยอะมากครับอื mm hmm. มีทุกขนทุกแข่งเลยครับ mm hmm. ยิ่งถ้าวันไหนภาวนาดีอัตตายิ่งโอ้โหยิ่งชัดรู mm ้ hmm. สึกว่าโอ้โหนี่เราสงสัยใกล้แล้วเยอัตตามันขึ้นมาอื mm hmm. ซึ่งซึ่งความจริงแล้วผมคิดว่าคงไม่เป็นไปไม่ได้อะเพราะอัตตาอยังเต็มไปหมดมันจะไปรักสักระศั ก, กยะจิตได้ยังไงอืดูไปดูไปเรื่อยๆทาแค่บางทีแค่ขับรถไปเนี่ยแค่แซงเขาได้ก็เห็นอาตานะฮะอัตตาขึ้นมาแล้วเออเก่งนะดีด <laughs> เต็มไปหมดนะครับมองไปทางไหนก็เห็น<อ>ยังไม่รู้เลยว่าจะ <laughs> จะไปรอดหรือเปล่ารอดรอดดูอย่างเนี้ยรอดนะครับ หลวงพ่อมีพระองค์ปูบาาเนี่ยเยมื่อหลายเดือนก่อนไปศาลาลุงชินด้วยกันไปแวะฉันข้าวที่มอเตอร์เวย์พอเสร็จแล้วจะทิ้งกระดาษทิชชู่นะโยนกระดาษทิชชู่เนี่ยโอแค่โยนกระดาษทิชชู่ยังมีอัตตาเลยนะเนี่ยดูละเอียดได้นะ <c oughs> ดีแล้วที่เห็นข้างหลังมีใครอีกคนหนึ่งนนื้อที่ยกมือเน่เสื้อเหลืองๆขอบคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายภาวนากันเก่งๆขึ้นเยอะเลย นมัศการหลวงพ่อค่ะขอคําแนะนําหลวงพ่อด้วยค่ะเหล่าเอาง่ายดีนะคนนี้อย่าขี้เกียจนะอย่าขี้เกียจดูไปเรื่อยๆดูกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราดูไปเรื่อยๆอย่าไปเกลียดมันด้วยนะเห็นไหมกิเลสเห็นบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นเอาแต่แหละไปหัดดูกิเลสนะกิเลสโผล่แล้รีบรู้ไวไวแล้วที่ทําอยู่นี่ถูกแล้วรือถูกสิไปดูกิเลสเพิ่มขึ้นอีกจะได้ถูกเยอะกว่านี้อีก เหมือนทําข้อสอบมาน่าตอนนี้ได้ห้าคะแนนแล้วไปดูบ่อยๆอยู่ได้หกคะแนนขอบคุณค่ะเอสี่แปดเจ็ดสิบแปดไปคนสุดท้ายแล้วเอาย่อกมือไว้ย่องมือไว้เขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนดี ใ, นใจนึกว่าจะอดอ้าวไวๆมีเวลาน้อย เ, อมเมื่อที่ที่แล้วที่มาปรึกษาลุงพ่อตอนนี้อยากจะมาขอบคุณเนะะี่ยค่ะเพราะว่าใจสบายขึ้นแล้วแล้วก็ ตอนที่คนอื่นเขามาปรึกษาต่อหนูเห็นเห็นตัวเองคุยกับเขาเหมือนเป็นรูปภาพ อ, อแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราฟังได้ไม่เหมือนกับเรากําลังฟัง เ, เขาอยู่มันขาดขาดประติดประต่อกั น, น, น, นเป็นช่วงๆเราภ า, านาเป็นแล้วนะเราเห็นความเกิดดับแต่อีกหน่อยจะพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วแล้วเขาร้องไห้เราเราก็ไม่ได้ร้องไห้ตามเขาก็ ด, ดีเลยไปช่วยกันร้องทําไม แล้วให้แล้วก็ตาบวมแล้วพอเขาพูดบางอย่างที่ทำให้เรากำลังจะโกรธอารมณ์โกรธมันขึ้นมาแบบรู้สึกได้แล้วเราหยุดทันไม่ได้โต้ตอบมันกลับไปอย่าไปกดไว้ดีภาวนาเป็นแล้วภาวนาข้างหลังนั่นมีด้วยคุณนั่นแหละยกมือไว้ยกไว้ยกไว้หลวงพ่อว่าจะเลิกทีไรนะก็ต้องใจอ่อนแถมไปเรื่อยๆกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะ อยากจะเรียนถามว่าการที่เรารู้แล้ววางรู้ระ ว, วางถือว่าเป็นการแทรกแซงหรือเปล่าคะต้องให้เขาวางเองอย่าจงใจวางนะถ้าจงใจวางเนี้ยแทรกแซงให้ให้รู้แล้วก็มันมีอยู่ก็รู้มันหายไปก็รู้เพียงแต่ว่าคำว่ารู้ระ ว, วางที่ถูกต้องหมายถึงรู้แล้วไม่แทรกแซงเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าโกรธไม่ต้องไปหาทางทําให้หายโกรธอย่างนี้เรียกว่ารู้ระ ว, วาง ไม่ใช่ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นพอรู้แล้วก็ปัดมันทิ้งไปให้มันหายไปเลยอันนั้นไม่ใช่เรียกว่ารู้ระหว่างแต่ว่ารู้แล้วก็ไปเกลียดมันแาแล้วรู้ระหว่างก็คือรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนั่นเองนะมันวางเองแหละหมายถึงถ้าใจเราเป็นกลางนะก็เท่ากับถึงมันมีอยู่ก็เท่ากับระวางไปแล้วอย่างความโกรธมีอยู่เนี่ยเรารู้มันด้วยใจที่เป็นกลางไม่ได้ยินดียินร้ายกับมันก็เท่ากับระวางมันไว้แล้วเพราะเราไม่ได้ไปหยิบช่วยมันขึ้นมา งั้นคำว่ารู้แล้ววางก็คือรู้แล้วไม่ได้หยิบเฉวยขึ้นมารู้อย่างเป็นกลางรู้สักว่ารู้รู้แล้วไม่ได้หลงไปตามความยินดียินร้ายฝึกอย่างนี้นะเพราะงั้นถ้าใจมันไม่วางใจยินดียินร้ายแล้วรู้ทันไปคุณผู้หญิงคนสุดท้ายที่นั่งพิงกําแพงนั้นโนะยกมือไว้กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าหนูอยากทราบว่าที่หนูปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถูกสิให้ปฏิบัติเถอะ คอดู<ต>ปีกกิเลสเนี่ยรู้สึกไหมมันหนีไปคิดแวบแล้เมื่อกีแ้แต่แบบว่าหนูรู้ว่าอาการคืออาการเจ็บอาการปวดเนี่ยคะแต่หนูรู้ว่ามันเกิดแต่ทําไมมันแบบออกไปยากมากเลยต้องใช้เราเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่เจ็บนะแต่ฝึกจนกระทั่งมันเจ็บแต่เราไม่กลุ้มใจ แล้วมันเป็นเพราะอะไรคะหลวงพ่อคือแบบว่าพอนั่งปึ๊บเนี่ยนะคะหลวงพ่อคือจะนิ่งนิ่งไปเลยนะคะเหมือนกับว่าเบาไปเลยแต่พอครบอย่างช้าสุดเนี่ยนะคะก็คือ45นาทีก็คือแบบจะลืมตาโดยออโต้ อ, อย่างนี้หมายความว่าอะไรคะ่ะก็เป็นแบบระบบออโตโอ้คือพอจิตมันถอยออกมาเราก็รู้ว่าถอยนะให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกแต่ว่าที่ถูกอยู่ที่ว่าจิตใจขนาด น, นั้นเป็นยังไงให้เรารู้ไปเรื่อยๆนะ พอเราเริ่มนั่งจิตรวมลงไปรู้ว่าจิตรวมสี่สิบ้านาทีแล้วจิตถอยขึ้นมารู้ว่าจิตถอยออกมาแล้วเสร็จแล้วจิตแต่เดิมมันสงบพอถอยออกมาแล้วพอตามมองเห็นเนี่ยจิตก็เริ่มแขว่งรู้ว่าจิตแขว่งตามดูจิตไปเรื่อยๆได้ค่ะขอบคุณแล้วถ้าใจหนีไปคิดก็รู้ทันนะรู้จักจิตไปคิดไหมอะไรนะคะจิตที่หนีไปคิดรู้จักยังเนี่ยตอนนี้ตอนนี้จิตหนีไปคิดอ๋อเหรอคะเอ ตอนที่จิตหนีไปคิดให้คอยรู้เอานะเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วตอนนี้มันไหลไปแแบบไปมันไหลไปแต่อย่าไปตรึงให้นิ่งน ะ, ะให้รู้เล่นเล่นรู้สบายสบายเชิญโยมกลับบ้าน